พุทธชัยยมงคลคาถาภาหุงสหสมาพินิมิตาสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตาโคระ า, าเซนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะซาพวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามพิยุจชิตาสภารติงโครัมปันาระว ก, มกะมาขมาทัทยกขันขันติสุทันตะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะซาพวัตุเตชยมังคลานิ นาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวขิจักกมสเีวสุธารุนันตังเมตํมภูเสกวิธินาชิตวามุนินทอหันเตชะซาภวตุเตชยมังขลานิอุคิตาคักขาขมติหาทัสุธารุนันตัง คาวันติโยชน ะ, ะทังคุลิมาณวันตังอิทธีพิสังขตมนโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตเฉยมังขลานิกัตวานาัคธมุทรังอิวคับพินียจินจายทุทวจนังชนกายมัดเช สันเตนะโซมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทเกตุงวาทาผิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจฉลิโตชิตวามุนินโท ตันเตชะซาภวตุเตเฉยมังขลาณินันโทปนันทผู้ชะขังวิผุ้ทังมหิตทิ้งปุตเตนะเทระผู้ชะเคนัทธมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตเฉยมังขลาณิ ทุคาหาทิฏฐิปุชเคณสุทัตธทหัดทัง้งพรหมวิสุทธิชุติมิตรทภกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถค่าธา โยวาจโนทินาทิเนสระเตมตันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุพัทธวาณิโมขังสุขังอธิขเมยยานโรสับปันโยอันทานศีลภาวนาอย่าได้ละอุสาหะสืบสร้างทางสวรรค์ นิสัยทรงคงนิพพานไม่นานครันกรเกษมสันแสนสุขสิ้นทุกภยัย